อธิทุกขนหกร้อยยีสหนเหตุป <rebels>. ัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระนอารามณปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระนาธิปติปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระนาอนันตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระนสมานัตตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระนสหชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจดวาระ นาอัญญามัญญะปัจจ <c oughs> ัยกับอัติปัจจัยมีเจดวาระนาิสียปัจจัยกับอัติปัจจัยมีเจดวาระนปณิสียปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสิบวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยมี9้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับอัิปัจจัยมี13วาระ นกรมปัจจัยกับอ awesome. ัติปัจจัยมี13วาระนวิปากปัจจัยกับอัติปัจจัยมี13วาระนาอาหารปัจจัยกับอัติปัจจัยมี13าวาระนาอินทริยปัจจัยกับอัติปัจจัยมี13าวาระนาชานปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสิบาวาระนมกปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสิบสาวาระ นาสัมปยุตตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมี7วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมี5วาระโนนัติปัจจัยกับอัิปัจจัยมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระอัติมิสกะคัตนา6กพันยี่นเหตุปัจจัยกับปัจจัย2คืออัติและอวิกตมี13บวาระ นารัมมนะปัจจ wow, ัยกับปัจจัยสองคืออธิระวิคตะมี13วาระหน้าทิปฏิปัจจัยกับละมี13วาระหน้านันตระปัจจัยกับละมี13วาระหนสมนันตระปัจจัยกับละมี13วาระหนาสัชาตปัจจัยกับปัจจัยสคืออธิละวิคตะมีเจวาระนายะมัญญปัจจัย <Really? Yes. S 1> กับปัจจัย2คืออติและวิกตามีเจดวาระนนิติยะปัจจัยกับปัจจัยสองคืออติและวิกตมีเจดวาระเนาปนิติยะปัจจัยกับปัจจัย2คืออติและอวิกัตมีสิสามี13าวาระนปุเรชาติปัจจัยกับละมี9วาระนัจชาชาติปัจจัยกับละมี13าวาระนอาเสวนปัจจัยกับ ละมีสิบสามวาระนกกรรมมปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนัชานปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนสัมปยุตตปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนนติปัจจัยกับรามีสิบสาวาระโนวิกตาปัจจัยกับรามีสิบสาวาระนาหตุปัจจัยกับปัจจัยสมคืออตินิสียาและวิกตามี13าวาระนาอารามานปัจจัยกับลามีสิบสาวาระนาทิปฏิปัจจัยกับรามีสิบาวาระนาอนันตรปัจจัยกับรามีสิบสาวาระนาสมนันตรปัจจัยกับรามีสิบสาวาระ นาสหชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจดวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับละมีสิบาวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี9้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบาวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบสาวาระ นักกรรมปัจจัยกับพระมี13าวาระนวิปปะกปัจจัยกับพระมี13าวาระนอาหารปัจจัยกับพระมี13าวาระนอินทรียปัจจัยกับพระมี13าวาระนัชานปัจจัยกับพระมี13าวาระน่ามคปัจจัยกับพระมี13าวาระนสัมพยุติปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนวิพยุติปัจจัยกับพระมีสามวาระ นโนนัตถิปัจจัยกับละมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี13วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออัตถีอธิปตะและวิกตามีแปดวาระนารมณปัจจัยกับละมีเจดวาระนาอันตรัปัจจัยกับละมีแปดวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีแปดวาระ นาสหชา h ตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสี่วาระนาณิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปณิสียปัจจัยกับละมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปชาชาตปัจจัยกับละมีแปดวาระนาอาเสวะนปัจจัยกับละมีแปดวาระ นากรรมมปัจใยกับละมี8ดวาระนวิปากัปัจจัยกับละมีแปดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีแปดวาระนอินตริยปัจจัยกับละมีแปดวาระนาชานปัจจัยกับละมีแปดวาระนมะขะปัจจัยกับละมีแปดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสี่วาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี8ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีแปดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย่คืออธิอธิปตะนิสิยะและวิกตามี8ดวาระนอารามานปัจจัยกับละมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีแปดวาระ นัสสะมณันตระปัจัยกับละมีแปดวาระนัสหชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัญญมัญญปัจัยกับละมีสี่วาระนัสปนิสตยปัจัยกับละมีเจดวาระนัปุเรชาตปัจัยกับละมีเจดวาระนัปัจฉาชาตปัจัยกับละมีแปดวาระนัอาเสวนปัจัยกับละมีแปดวาระ นกรรมมปัจจัยกับละมีแปดวาระนวิปากปัจจัยกับละมี8ดวาระนอาหารปัจจัยก hmm ับละมีแปดวาระนอินทรียปัจ <pept> จ <id Spring> ัยกับละมีแปดวาระนาชาณปัจจัยกับละมีแปดวาระนามคะปัจจัยกับละมี8ดวาระ นสัมปยุตตปัจจัยกับลามีสวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับลามีแปดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมี8ดวาระนาหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออธิอาหาระและอวิคตะมีเจดวาระนอารามณปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีเจดวาระ นานันตรปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนสสะมันตรรัปปัจใจกับรามีเจ็ดวาระนสาชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับรามีสามวาระนาณิสิยปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาปนิสยปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นปัจฉาจาตปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนาชานปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนมกปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นาสัมปยุตตะปัจจัยกับระมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับระมีสามวาระโนนติปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคืออัตติอินทรียาและวิกตามีเจ็ดวาระนาอารามานปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระ นาที่ปฏิปัจจัยกับละมีเจดวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีเจดวาระนาสมาันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญามัญญาปจจัยกับละมีสามวาระนานิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นาปเรชาตปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับพรามีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนาชานปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นามคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถีปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคืออัตถีนิสยาอินทรียะและอวิกตะมีเจ็ดวาระ นารามะนปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระน้านันตรัปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนสมนันตรปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนสหชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับรามีสามวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ นปัจจาจาตปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนชาณปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนมะขะปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนสามปยุตตปัจจัยกับพระมีสามวาระ นว 7, limits, ulla, soap, ิปย er. ุตตาปัจจัยกับละมีสมวาระโนนติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออัธิวิปยุตตะและอวิกขตะมีห้าวาระนารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระ นาอานันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนสหาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระนานิตยปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิตยปัจจัยกับละมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับพระมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับพระมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับพระมีห้าวาระนัชาณปัจจัยกับพระมีห้าวาระ นามกปัจจัยกับละมีห้าวาระนัสสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระนหิุปัจจัยกับปัจจัยสี่คืออาทีนิสียวิปยุตตะและวิกตะมีห้าวาระนารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนาธถิปฏิปัจจัยกับละมีห้าวาระ นาอนันตรปัจจัยกับปรามีห้าวาระนาอนันตระปัจจัยกับปรามีห้าวาระนสหชาตปัจจัยกับปรามีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับปรามีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับปรามีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับปรามีสามวาระนปัจจาชาตปัจจัยกับปรามีห้าวาระ น้าเสวะนปัจจัยกับละมีห้าวาระน้กรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระน้อาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระหนอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระน้าฌานปัจจัยกับละมีห้าวาระน้มัคคปัจจัยกับละมีห้าวาระน้สัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออธิอธิปตินิจยาวิปยุตตาและวิกตมีสี่วาระนาอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระ นาสหชาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสี่วาระนปนิสยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีสี่วาระนาอาศวนปัจจัยกับละมีสี่วาระนกรรมปัจจัยกับละมีสี่วาระ นวิปากปัจจัยกับละมีสีวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสีวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสีวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสีวาระนมะข้ปัจจัยกับละมีสีวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสีวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสีวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออตินิสยาอินทรียะวิปยุตตะและอวิกตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นักกรรมปัจจัยกับระมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามวาระนัฌานปัจจัยกับระมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับระมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับระมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับระมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับระมีสามวาระ ปกิณกคัตนา้อยยในเหตุปัจจัยกับปัจจัย 4, คืออัติปัจฉาชาตะวิปยุตตะและวิกตะามีสามาระน า, รนาอรมณนปัจจัยกับละมีสามาระหน้าทิปติปัจจัยกับละมีสามาระหน้าอนันตระปัจจัยกับละมีสามาระ นาสมานันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนานิตียปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระ นกกรมมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมะขปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยมคืออัตติปุเรชาตะและวิกตะมีสามวาระนาธรรมนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนาานันตระปัจจัยกับละมีสามวาระ นสมนันตระปัจจัยกัปละมีสามวาระนสาชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกัปละมีสามวาระนนิตยปัจจัยกัปละมีสามวาระนปนิตยปัจจัยกัปละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกัปละมีสาวาระนอาเสวนปัจจัยกัปละมีสามวาระ นกกรมปัจจัยกับระมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับระมีสามวาระนชาณปัจจัยกับระมีสามวาระนมคคปัจจัยกับระมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับระมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับระมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับรามีสามวาระโนวิกตาปัจจัยกับรามีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออัธินิสยาปุเรชาตะวิปยุตตาและอวิกตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับรามีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับรามีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับรามีสามวาระ นาสมนันตรัปัจจัยกับระมีสามาระนาสหชาตปัจจัยกับระมีสามาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับระมีสามาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับระมีสามาระนาปัจฉาชาติปัจจัยกับระมีสามาระนาอาศิวะนปัจจัยกับระมีสามาระนากรรมปัจจัยกับระมีสามาระนาวิปากปัจจัยกับระมีสามาระ นอาหารปัจจัยกับรามีสามาระนอินทรียปัจจัยกับรามีสามาระนาชานปัจจัยกับรามีสามาระนมัคคปัจจัยกับรามีสามาระนสัมปยุตตปัจจัยกับรามีสามาระโนนัตถิปัจจัยกับรามีสามาระโนวิกตปัจจัยกับรามีสามาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คือ อธิอารามณบุเรชาตะและวิกตะมีสามวาระนาที่ปฏิปัจจัยกับรามีสามวาระหนาอันตรรภปจัยกับรามีสามวาระนสมานันตรปัจจัยกับรามีสามวาระน้าสหชาตปัจจัยกับรามีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับรามีสามวาระนานิตยปัจจัยกับรามีสามวาระ นปนิตยปัจจัยกับระมีสามาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับระมีสามาระนาอาศิวนปัจจัยกับระมีสามาระนกรรมปัจจัยกับระมีสามาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามาระนอินทรียปัจจัยกับระมีสามาระ นาชาณปัจจัยกับระมีสามาระนมัคคปัจจัยกับระมีสามาระนสัมปยุตตปัจจัยกับระมีสามาระนวิปยุตตะปัจจัยกับระมีสามาระโนนติปัจจัยกับระมีสามาระโนวิกตปัจจัยกับระมีสามาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือ อธิอารมณะนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตาและวิกขตามีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับรามีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับลามีสามวาระนาสมันตรปปใจัยกับรามีสามวาระนาสหชาตปปัจจัยกับรามีสามวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับลามีสามวาระนอุปนิสัยปปใจัยกับลามีสามวาระ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 นัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิอารมมนะอธิปติอุปนิสสยะปุเรชาตะและวิกตะมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสสัมมันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นอินทรียปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนมะขาปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจแปด คืออธิอารมมนะอธิปตินิสยาอุปนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสสมันันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสหาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญ ม, มัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นอนันตรปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนสหชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาอุปนิสตยปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระ นาวิปากัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคับปัจใจกับละมีหน evet ึ่งวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหาชาตาคัตนาหกรยยี นเหตุป então, ัจจัยกับปัจจัยสี่คืออธิสหชาตานิสยาและวิคตามีก้าวาระนาอรามณปัจจัยกับรามีก้าวาระนาทิปติปัจจัยกับรามีก้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับรามีก้าวาระน้าธมนันตรปัจจัยกับรามีก้าวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับรามีห้าวาระ นาอุปนิเตยปัจจัยกับรามีกาวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีกาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับรามีกาวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีกาวาระนกรรมปัจจัยกับรามีกาวาระนวิปากปัจจัยกับรามีกาวาระนอาหารปัจจัยกับรามีกาวาระ นาอินทรียปัจจัยกับลามีเก้าวาระนาชานาปัจจัยกับลามีเก้าวาระนมัคคปัจจัยกับลามีเก้าวาระนสัมปเยตตาปัจจัยกับลามีห้าวาระนวิปเยตตาปัจจัยกับลามีสามวาระโนนาติปัจจัยกับลามีเก้าวาระโนวิกตปัจจัยกับลามีเก้าวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้า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 นปัจจาชาตปัจจัยกับระมีสามาระนอาเสวนปัจจัยกับระมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับระมีสามาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับระมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับระมีสามาระ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 สัมปยุตตะและอวิคตตะมีสาวาระนอารามะนาปจัยกับลามีสามวาระนาทิปติปจัยกับลามีสามวาระนอนันตรัจจัยกับลามีสามวาระนสมนันตรัจจัยกับลามีสาวาระนาอุปนิสตยปัจัยกับลามีสามวาระนาปุเรชาตปจัยกับลามีสามวาระนปัจฉาชาตปจัย กับระมีสามาระนาอาเสวะนปัจจัยกับระมีสามาระนกรรมปัจจัยกับระมีสามาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามาระในอินตรียะปัจจัยกับระมีสามาระนาชาณปัจจัยกับระมีสามาระนมะกะปัจจัยกับระมีสามาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับรามีสามวาระโนนติปัจจัยกับรามีสามวาระโนวิกาตาปัจจัยกับรามีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออธิสหาชาตานิสยวิปยุตตาและอวิกาตกามีสามวาระนาอารามานปัจจัยกับรามีสามวาระ น้อธิปฏิปัจจัยกับลามีสามาระน้อนันตรปัจจัยกับรามีสามาระน้สมันตระปัจจัยกับรามีสามาระน้อัญญามัญญะปัจจัยกับรามีสามาระน้อุปนิสัยปัจจัยกับรามีสามาระน้ปุเรชาตปัจจัยกับรามีสามาระน้ปัจฉาชาตปัจจัยกับลามีสามาระ น้อาเสวะนปัจจัยกับระมีสามาระน้กรรมปัจจัยกับระมีสามาระน้วิปากปัจจัยกับระมีสามาระน้อาหารปัจจัยกับระมีสามาระน้อินตรียปัจจัยกับระมีสามาระน้าชาณปัจจัยกับระมีสามาระน้มัคคปัจจัยกับระมีสามาระน้สัมพยุตตปัจจัยกับระมีสามาระ โนนติปัจจัยกับละมีสวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสาวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัธิสหชาตาอัญญมัญญานิจยวิปยุตตาและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนารมนามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน่าทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นวิกตปัจจัยก Yo ับละมีหนึ่งวาระในมงเล็บอวิปากห้านเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคืออธิสหชาตะนิสียวิปากะและอวิกตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตรัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตรัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นาชาณปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนมัคคัปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัย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 นปัจฉาชาตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระ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 นาอินตรียปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนชานาปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนวิกระปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือ อธิสหชาตะนิสยาว Ooooh, ิปากวิปยุตตะและวิกตะมีหนึ่งวาระนารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาที่ปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสตยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอินตริยปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระ นาสัญปยุตตะปัจจ um ัยกับรามีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยก nice ับรามีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญานิสียวิปากวิปยุตตะและวิกตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระ นาอันตรรัปปัจใจกับรามีหนึ่งวาระนสมาันตรรัปปัจใจกับรามีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนกรมมปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระ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 นัตถิทุกกนักร้อยยี่สิบเกในเหตุปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระละในเหตุปัจจัยกับวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระละในวงเล็บนัตถิปัจจัยและวิคตาปัจจัยเหมือนกับอนันตระปัจจัยอวิคตาทุกกนักรอยสามสบในเหตุปัจจัยกับอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระในวงเล็บ พึงขยายอาวิกตปัจจัยให้พิสดารเหมือนอธิปัจจัยอนุโลมปัจจนิยะแห่งปัญหาวานจบ